ควัมตามกันเนาะแกหนาวโดยมีสมาธิัจใจสมาธินี่สักชิดไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งลืมหนาวลืมร้อนได้วหมนพระจิตตตะสมัยเป็น ก็จนเจ็ดพวกไปแลกนาสวนถ้าอยู่ในต้นว่านั่งสมาธิแม่แดดจะเลื่อนไปร่มม่อจะหนีจากก็ยังนั่งอยู่ได้เพราะสมาธิการเก็บกันปวด เอกนาต่างๆรันเทววาบางลงได้สมาธิเป็นอาาริทรัพย์ของชีวิตของเราอันหนึ่งตรึกเอวไว้ให้แนวแน่อย่าหวั่นไหวองเช่นโกงว่างัดให้ไวาจำนี้จำนาน มีศีนมีสมาธิมีปัญญาเเป็นทางของชีวิตที่ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าเรี่ย ม, มกักขยายออกไปเป็นอะลี ม, มกักครบถ้วนบริบูรณ์ในการดำเนินชีวิตไปสู่มกักสู่ผลถึงมกักถึงผลได้ไดว่าจะไปไหนต้องมีทาง ทางเดินของชีวิตจิตใจก็มีทางอาชนาณ์ทางเอาไว้ยืดของเรามาไม่กีลังยั่งยืนมีทางผ่านยืดิตนี้มันเป็นทางผ่านไม่ใช่หมายอยู่เปิดมาเนเ่ยมันจะมาเกิดมาอยู่ในโลกนี้เป็นทางผ่านไปืเรื่อย บางคนก็เดินถึงตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆก็ยังโชคดีจะได้ปลอดภยัยจะได้สะดวกในการดำเนินชีวิตของตนเองจะได้แจกของสอดตะเกียงช่วยคนอื่นได้เป็นประโยชน์เรามีอะไรชอบอย่างนี้อย่าจน สวงหาโดยตามหลักของการศึกษาที่เป็นแผนที่เอาไว้ให้จำนานมีแี่แผนที่ไม่ได้เดินตามมันก็ไปไม่ถึงไปไม่เป็นหัดดำเนินชีวิตไปมีสติสมชัญญะ สอนกายสอนใจตัวเองให้ไปทางที่ถูกมันก็บอกผิดบอกถูกสัมผัสได้ความผิดสัมผัสได้ความถูกสัมผัสได้การเปลียนความผิดเป็นความถูกเป็นอจะหายใจอาศัยลมก็เจีได้ อาศัยการเคลื่อนไหวเจื่อได้อาศัยความเห็นก็แช่ได้ความคิดเห็นแช่ได้เช่นสมัทิติความเห็นชอบผ่านตลอดลุ่มอลุ่นเต็นกระแสดได้เสริมไปด้วยสมมาสังกปะน้ดำร่ออกยิ่งสะดวกสมมาวาจามีคําพูดออกไปอีก สนับสนุนเข้าไปเข้มแข็งเข้าไปสัมมากรรมาตาเข้มแข็งขึ้นเดี๋มันการแสดงออกทั้งกายทั้งใจสัมมาชีวะทำให้เรียนชีวิตเลียงควิตทางที่ชอบไปอีกสัมมาวายามะความเพียรชอบนีจากความทุกข์ได้ ความเพียรเป็นทางหลุดพ้ น, นความทุกข์วิเดเยนะทุกขมัดเจติคนรจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรสัมมาสติก็ลู้รอบอบด้านมาทางไหนก็ลู้หรือว่าลู่รอบสติเป็นดวงตาภายใน อาทิบเห็นลมก็เห็นลูกก็เห็นเสียงก็เห็นกิ่นก็เห็นรดก็เห็นสมผัติอะไรเกิดขึ้นก็เห็นไม่ใช่เอาตาไปดูอย่างเดียวเอาหูไปฟังอย่างเดียวความเห็นชอบมันลูล่โลก สมาสมาธิวางลงแล้วจบลงตรงนั้นจบลงตรงนั้นจบไปเรื่อยๆจบไปเรื่อยๆเปล่าไปเรื่อยๆบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเปลี่ยวเปลี่ยวรู้แล้วแล้วไปแล้วแล้่ยวเปล้วแล้วไปลี่ยวไม่มีอะไรที่ขวางหน้าก็เลยสะดวก ชีวิตสะดวกมีทาเป็นเครื่องมือมีหลักปฏิบัติเป็นเครื่องมือหัดใช้เหมือนสินใส่ฉีหูสังทอแม่จะผ่านน้ากัดเหล็กกัดทองสร้างช้อนหน้าปลาซ่อนเยี่ยงก็ผ่านได้ แดนงูส้วงก็ผ่านได้สินใจสีสังทองสีหูตามหาสุวมมนรณธาตามเอาสุวนรณธานะักสุวมมนรณธาถูกยักษ์ุมพันนำพาไปเดี๋ยวว่าสินสมาธิปัญญาเนี่ยส่วนเท่าต้องหก เวตาหูจะโบดิในกายใจไม่สามารถไปได้กลัวเราต้องจำเป็นต้องสืนสายสีสังทองสีหูสุมุนทะคือจิตมุนทาคือจิตบริสุทธิ์สุมนุนทาสุมุนทาคือจิตที่บริสุทธิ์ถูกยักพาไป ไปอยู่ในอ้อมมือของยักษ์กิเลศพันห้าตันหาร้อยแปดยักษ์แต่ว่าสินเสีสังทงสีหูนี่ามออกขึ้นมาได้แม่นม้ำกัดเด็กกัดทองก็ผ่านได้ช่างจะซ่อนหน้าปลาซ่อนเงี่ยง แดดงูช่วงก่านได้ก็ถีินที่ยักษ์ของปัเอาปิดประตูถ้ำของส ม, มุนท่าก็งัดด อ, อกบาได้ตามถึงตัวเลยทีเดียวได้กีตบริสุทธิ์ขึ้นมาก็ยากพอสมควร ได้ขึ้นมาแล้วยังกลับขึ้นมาอีกก็มีเหมือนสุวนทาออกจากถ้ำมาแล้วยักษ์กลุมฟันไปหายกินยังไม่กลับขอให้สั่งพี่ยักษ์ก่อนสินใสสีงหงส์สังทองหมดบังครับแล้วก็ลืมนัานลืมนี่เพื่อรอเวลาให้ยักษ์กลับมาเพื่อยักษ์ไม่มีอำนาจ ตัดแขนซ้ายเอาแขนซ้ายมาต่อตัดแขนขวาแขนขวามาต่อตัดคอเอาคอมาต่อตัดขาาขามาต่อลบก็สู้อย่างนั้นยากผลพันธ์เหลือาบางทีเราเลอะควมโกรธได้แล้วบางทียังมีไออุ่นยังมีความโกรธอยู่มันเอามาต่ออยากได้มีกิเลสเลอะไปได้แล้วม้นก็มาต่ออีก ตัดแขนออกไปเรายังเอามาต่อได้ยันีนจุดเห็นใายฉี่หวสังทองนะปราบได้เลยตามปิดบริจุิขึ้นมาได้มักได้ผลเราจึงต้องคงเชนโรงวาดีๆอย่าโทดแท้มีความเพียนไป แม่จะปิดแล้วปิดีก็ช่างหม้อหมันแต่าต้องถูกทุกครั้งที่มันปิดหลงครั้งใดรู้ห้างนั้นเนี่ยทุกที่ใดรู้ที่นั่นอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์ก็กลับไปรู้ที่นั่นคืนมาได้คืนมาได้พยายม ถือกขดหมายป่าทางย่อมสาเร็จได้ทา บ, าบา่อยๆทบ่อยน้องมาใช่เวลาที่นี่เพื่อทําเรื่องนี้อย่าแย่งเวลากันให้โอกาสเด็มที่มีผู้พงอานามีผู้ที่ทําทุลให้แล้วหวางอย่างแล้วก็ ยาช่วยก็ถึงเจ็ดตัวจะได้มีโอกาสได้ทำงานสวนตัวให้โดดล่วงไปใ้บุญทั้งสองฝ่ายเกิดกุศล ส, สองฝ่ายยืดเราต้องมีหมูมีคณะมิตร ด, ดีเพื่อนดีจัหายดีผู้แวดลอมดี ก็สะ ด, กดกวกในการดาความชั่วทำความดีเกยบแค่เด็กป่วยก็หายได้เศร้าโศกก็หายได้ทุกข์ก็หายได้แม้แต่หนาวเราเรดินโยกมด้วยกันก็ยังเลื่มไปถ้าหนาวนั่งอยู่คนเดียวก็อาจจะไม่สู้เพื่อนก็ดั่งอยู่นี่ ทำว่าสวดมนต์20นาทีลืมไปเฉลแล้วความหนาวมันมีสมาธิกล่าวพระสูตรออกมาแต่ละคำไม่แต่ล้วนล้วนป็นหลักฐานสัมผัติได้จริงกับคำพูดออกมาสัมผัติึง จ, จิตใจ ย, ยง มีกิจวัดวิธีวัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่มีกรรมฐานยิ่งยอดเยี่ยมเข้าไปใหญ่สำเร็จศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกจงใช้สิทธิเรื่องนี้เขากาสใช้เรื่องนี้ร่วมการพึ่งพราสัยการผ่านความยุ่งเหยิงสับสนผ่าน อาการต่างๆพอมาเป็นอันเดียวกันไม่ทะลากันไม่ดุไม่ด่าไม่อิจฉาเบียดเียนกันช่วกันมาถึงจุดนี้จุดไม่มีอะไรหมดไปหมดไปรูปไปรูปไปรูดแล้วรูดแล้วรูดแล้วงั้นอนยาสีวัฏโฟกอนรัญโยอน ญ, ญารูดแล้วหนอรูดแล้วหนอรูดแล้วหนอ โอ้เห็นความหลงได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่มันมันสมน้หน้าความหลงเห็นความทุกข์ได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรูม้สมน้หน้าความทุกข์มันมีจริงจริงู้ความจริงเมื่อเป็นอย่างนี้จริงจริงเฮอจัสี่มีปัะจักษ์มี มีอะไรมีปัจชิกานสามการสิบสองบอกเกินไม่ต้อนรับไม่ค่าไม่ถี่ที่อาศัยอะไรเกิดขึ้นทุกประเดี๋ยเหตุเกิดทุกก็ดีแต่ไม่รู้ ก, ก็รู้แล้วรู้ได้แล้วกาหนดรู้ได้แล้วสองวิธยเหตุที่เกิดทุก ก็ละแล้วละได้แล้วนี่ปัจจัยการสามอาการดิบสองนี่โลดถ้ไม่แจ้งแล้วทำไรแล้วแก้งแล้วเนี่ยมรู้จักตําเินไปทำชีวิตสามาทิติเขินชอบกันมา ชิดชอบขึ้นมาดับดีชอบขึ้นมาพูดจาชอบกันนไปกันใหญ่เลยเดินทางทะลุตะลวงไปได้เลยทะว่ามันจะเหลืออะไรของทำได้อยู่เนี่ยเราไม่ทำเฉยๆทำมันส่งเดชไปเลยบ่อยไปเลย มันไม่ใช่ขี่ชาขี่ว่ามีจต่าวุฒมาเป็นอานหลงเฉยๆอาการเฉยๆเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยมันก็มีอำนาจสั่งให้เราทําผิดพลาดมาเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นเสียตายอยู่จึงมาช่วยกันแก้ตรง น, นี้ให้ได้ เป็นคนคนเดียวกันอยู่ด้วยกันความสงบร่มเย็นช่วยตัวเองบ้างช่วยคนอื่นบ้างจิตกรรมต่างๆช่วยกันบ้างเพื่อความสะดวกแก่หมณะในการนี่เช่นพรหารสมัยก่อนปะวารณา ด้านผู้ใดประสงค์จะผ้าขาดผ้ามาจะเย็บผ้าป่าผ้าให้จะยอมผ้าก็เมตตาได้บอกจะได้ย้อมให้กะติล่วติผูฟังก็ให้เมตตาบอกจะไปซ่อมให้มีพระหันหลายรูปที่ปรารถา จิตการงานต่างของสงค์โเนี่ยมีได้ไม่ใช่เห็นเจยดตัวเคยไปฝึกที่สวนหมกบางับงพ่อหลวงมาของานทำอาจารย์มีงานอะไรให้ทำมาหาทำงานปกนติคนละหลังละหลังเหมืนพวกเราอยู่ในหางใจ ก, กัน ในเนื้อที่สามอยไร่ของเก้าเป็นห้า้อยไร่ก็อยู่คนเดียวตอมโน่นทำนี่ไปก็เสร็จเ็จไปก็คิดอยากจะทำงานเป็นจิตสงบ้างขอทำงานมาขอทำงานแล้วก็แจกงานให้เห็นมีความพอมพ อาบน้ำพันเดียวมาใส่ชุดทำงานมาใส่ถุงมือมาก็บอกเจ้าก้อนหินยกตัวนั้นงัดตอนหินที่นี่นงานหนั ก, นกๆสร้างหลุมหอศบต่องปิญญาณยังอยู่เท่าทุกวันนี้กันก็หาเชยนภาพัาปั้นลู ในชีวิตของนักบวางภาพบางรูกผู้มีฝีมือก็จับปูการเขียนรูปบางทีผู้มีฝีมือในการปั้นปั้นรูปต่างๆซ่อมโรงไฟฟ้าต้องปั่นไฟเองใช่กัน ส้อมแจมถนนทางสอง่อมแจมกติช่วยแม่ชีจัดเตรียมอาหารรถเข็นอาหารมามาแจกถึงเวลามาแจกทีละครั้งมาให้พระมาฉันพระก็ช่วยกันแบ่งกันนับพระทุกวันกล้วยก็ท่า เยอะมากกล้วยไม่น้อยลูกก็ตาดเป็นท่อนเหมือนท่อนใส่ภาชนะนับพระทุกวันท่านไหนะลขึ้นท่านไหลขึ้นเขียนติดไว้เขียนป้ายติดไว้อรับคนไหลขึ้นเท่านั้นขพถ้าสองขึ้นมันจะชาดคนอด่นท่านไหลขึ้นเดียวท่านไหลขึ้นเดียว ก็รับออกคนไร่ขึ้นไิ่ข้นไปแล้วก็เพียงพอถ้าโลภมากก็เอาไปสองสามขีดก็ขาดคนอื่นคนหนึ่งก็ไม่ได้ฉันได้เป็นความเฉียดฉลับไปในตัวเฉดมีระเบียบมีการแบ่งปันในชีวิตจิดใจเผื่อคนอื่นบ้างโอ้นี้มีแต่น้ำใจเออเพื่อเผื่อแผ่ ยิ่งเราปฏิบัติธรรมได้ทำอะไรสำเร็จบ้างก็เฉียงเพื่อนเห็นคนอื่นคิดเห็นพ่อเห็นแม่ทันทีล่ะเพราะเรามีสังคมมีตระ ก, กูลมีพ่อมีแม่พี่น้องเหมือนแม่เหมือนพ่อได้เลยบาถึงลูกกอหงย่อย อ, อย่างนั้น วรวมลากันเมื่ อ, อไรายได้ไรายก็คิดถึงคนอื่นอันนี้บางทีได้ชมผัดกับรถพ่อสามคิดถึงพ่อถึงแม่อันนี้พ่อก็ไม่ได้สอนแม่ไม่ได้สอนจะไปสอนจะจะได้ไม่ผิดโอกาสจะได้ไม่พลาดอย่างงั้นก็มีคนบอกคนสอนไม่สักหน่อยไปสอนแม่สอนพี่สอนนอ้อง ส่วนเพื่อนสอนมิตรอย่างพระโมกั ล, ลาสาวดิวุฒเนี่ยว่าสาวดิวุฒได้ฟังธรรมพระอาจะคิดคิดถึงเพื่อนทันทีคงไม่จะไปบอกเพื่อนล า, านอาจารย์อาจะคิไปชวนสามโมกั ล, ลา เหตุอาจารย์ได้าจารย์แล้วได้าจารแล้วไปด้วยกันไปด้วยกันชวนกันไปจนเป็นสาวก้ายขวัญเหาะเพื่อนรักกันรับใช่งานพระศาสนาเราก็มีรถดกของสารีบุตรโมกัลาทุกวันนี้อาโนนอนุท่าบาง พระสูตรที่เราได้สาธยายนี่อนนนสะิวโมกัลลานะอนุรุทธโกนทัญญะมหากัสปะล้วนๆแต่มีมรดกธรรมให้เราได้อาใจเอามาศึกษาปฏิบัติตามทุกวันนี้พระสูตรพระพุทธปาจิตสาวก ปาจิตแม่แต่ของพระองค์ที่มานก็ยังมีโจนดุร้ายขนาดนั้นก็ยังมีปาจิตที่น่ารักวัดโตวัดเตสุเตสุพระชาคโลพระจังวชัชชิกัสโซยติจุเมทะโสโยปปุเพมัคีวาศาสนัปร ะ, ประวาาระัติจิขององค์ที่มานแล้วก็ ไม่ใช่จำไม่ได้ยังเป็นหน้ารักรอันพาิีของสาวบกแต่รูปเี่ล้วนแต่เป็นทรัพย์มาใช้ได้มีค่าแม้แต่ของพิษุนีผู้หญิงก็ยังมีค่าหลายลูกของพระเจ้าเราล้วนก็ยเยอะแยะ ไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยไม่ไม่น่าจะจนใจชีวิตของเราเนี่ยจนทำใหม่มีทางเยอะยะจนเฉยจนเฉยทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ ท, ดทีก็ลองหงุดองห้เสียใจเฮ้ยไปสอนคนป่วยที่เป็น โลกตายว่าอยู่นอนลงสวรรให้ให้ใหลวงพ่อมาบอกซะหน่อยทำใจไม่ถูกทำใจโจนมาลุยทำไงงั้นก็จะตายหายใจไม่เป็นเคยฝึกหัดได้บ้างแต่ว่าเวลาเอาจริงๆทำไม่เป็นเราต้องไปบอก เปลี่ยนทำใหม่อย่าไปเปลี่ยนอะไรที่ไหนหยุดอย่าไปคิดทั้งจิตใจเดี๋ไปหาทางไม่อยู่แล้ววางวางเลยวางเลยว า, วางเลยไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรอย่าไปหาทางไม่มีวางไปเลยวางไปเลยกลับมาอยู่ที่รู้สึกตัวลมหายใจกลับมาอย่าไปหาแย้ตรงไหนกลับมารู้จึดตัวกลับมารู้สึกตัว พอบอกปับเดี๋ยวก็เยียบทันทีนั่งนอนนิ่งฟังหลมหายใจเขาบอกดูท่าทางก็ดีขึ้นดีขึ้นรอดมาได้อย่างนี้ก็เลยเป็นครูสอนอยู่โรงพยาบาลตลอดผู้หญิงคนนี้เราป่วยเป็นโรคไตาาสามสิบปีร่างาหั เห็นขุเห็นข้าเห็นธรรมะเห็นโทษของการป่วยเหล่านี้ไปช่วยคนที่เป็นโรคไตในโรงพยาบาลสุรินสละเลยเป็นเพื่อนของคนป่วยเราก็อยากเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะทำไมไปทุกข์ทำไมไปโกรธทำไมไปหลงทำไมอยากเป็นเพื่อนคนที่เป็นทุกข์นะ เวลาเรานอนอยู่โรงพยาบาลอย่างคิดอยากแกไปบอกคนนะคนนอนโลงพยบานจุูลาเนี่เป็นหลายร้อยหลา ย, ลายพันคนเขารู้จักทิศทางบ้าไหมนาะอยากแกไปบอกกอ่แต่มันก็ไปไม่ได้เป็นแต่คิดอยากจะช่วยคนนอนคนนี้ไปจริงๆทำไมต้องทุกข์ทำไมต้องไปเกิดร้อน เพรนั่นจึงได้ยินได้ฟังเอาไว้ตกกะไดข้อกระโจนอาจจะได้เอยเคยได้ยินผู้เจ้าสอนอย่างนี้มือขาวที่เราเป็นตกกันข้างไว้เอามาแค่เอามาแก่เอามาเปลี่ยนทาตามที่คําสอนเอามาปฏิบัติตามลองดูอาจจะตกกระไดข้อกระโจน เหมือนเจ้าสุตโตธนะได้มักผลนิพพานเมื่อกจะขาด5้านาทีเท่านั้นเองลูกชายุทธเจ้าไปนั่งสอนอยู่จำมใจท่อมตามไป อ, อนนั้นก็ดีดองนีมีุทธเจ้าไปนั่งสอนนี่เราไปจำไว้อย่าเป็นผู้สูญจักหน่อย ได้ยินได้ฟังที่ว่าเป็นมงคลเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเป็นมงคลอันสูงสุดนะฟังใครบอกผิดบอกถูกเลียนทั้งนั้นจะได้รู้งาปฏิบัติตัวเองถ้ผิดก็ไม่ทาตามถ้าถูกก็ทาตามไป แม้บางทีเรามีเอกลักษณ์ของตัวเองได้หนึ่งละวัติบัติเป็นเอกลักษณ์ดำเนินชีวิตชั่วไปทำเด็ดขาดดีทำไปใจบริสุทธิ์นี่เป็นขีดเช่นชีวิตจะมีกี่เดือนกี่ปีกี่นาทีกี่วินาทีจะใช้ชีวิตอย่างนี้ ร่วมไม่ทาดีทําไปจใจบริสุทธิ์ง่ายง่ายอย่างนี้มีได้เป็นอย่างนี้ชีวิตของคนผ่านอยู่เช่นนี้ยุติไม่ใช่โบ้ด้วยพมด้วยอะไร ท, ที่กูขะก็เราก็ตั้งอยู่นี่เราอยู่กับโลก ลงแห่งลูกรถกินเชียงอยู่หลายสิ่งหลายอย่างกับผู้กบข้นกับสิ่งเวอือรชำย่ไม่ทำดีทำไปใจบริจุ์ไปเลยปานได้ตลอดไม่มีอะไรขวางหน้าได้ยิ่งใหญ่เียนกองทัพทำปานที่ไหนได้ตั้งนั้น ช่วไม่ทำดีทำไปใจบริสุทธิ์อย่างนี้เอาละเนาะก็สมควรเจวเวลาก็พรพร้อมกัน